ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมระปฏิยานในวันนี้ก็คงเป็นการนำเสนอเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้รับการรัตนาจากสั ม, มดีพรมให้ทรงสแสดงธรรมที่ปรงุงแตสรุปแก่ชาวโลกจากนั้นก็ทรง ทราบคำกราบทูลของพรมในขณะเดียวกันก็ทรงอาศัยความกรุณาต่อหมูส่สรรพสัตว์ตามพระปฏิธานดั้งเดิมของพระองค์ตั้งแต่เริ่มมาเป็นเพียรสร้างบารมีธรรมไป็นมาจากนั้นก็ทรงสวดดูสัตวโลกด้วยพุทธจักษุเมือ่อตรวจดูสัตวโลกทั้งหลาย คือไม่ได้ตั้งเกณฑ์เอาไว้ว่าจะต้องบรรลุมรรคผลเป็นพระหันทั้งหมดก็กระจายกลุ่มเป้าหมายออกไปก็ทรงเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีคือกิเลสในจักษุน้อยก็มีคำว่าจักษุในที่นี้หมายถึงปัญญาจักษุคือไม่ไม่ใช่ในดวงตาธรรมดาเพราะว่าจักษุของพระพุทธเจ้านั้น จะสู่ของมนุษย์เรานะคมนุษย์สามัญเนี่ยนั่นจะมีอยู่สอ ง, สอ ง, สอ ง, สองตาคือตาในกับตานอกตานอกก็คือตาเนื้อตาในก็คือตาใจก็คือตาปัญญานด่นๆถ้าาว่าปัญญาเรามีมนทินคือกิเลสมากอาการจะแสดงออกมาก็เป็นอาการของโรคกวดหลงมากแต่ถ้ามนทินมันน้อยก็แสดงว่าธรรมะมันมาก อาการที่แสดงออกมาก็ไม่รู้อํานาจแ ก, คกค่ความโลภความกรความหลงมากเกินไปตัวกาที่เป็นคนดีมีศีลธรรมก็ทรงเห็นว่าที่มีทุลีในจกักษุมากก็มีมีสีแก่กล้าก็มีมีสีอ่อนก็มีมีกาหลัดีก็มีมีภาระซ้ก็มีที่จะสอนให้รู้ได้ง่ายก็มีสอนให้รู้ได้ยากก็มี ที่มีปกติเห็นโทษเห็นประโยชน์นะฮะและโทษโดยความเป็นภัยอยู่ก็มีก็สรุปว่าโดยพื้นฐานเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนเราสามารถที่จะได้รับผลของธรรมะที่ทรงแสดงตามสมควรแก่ฐานะของเขาประเด็นแรกที่อยากจะ แวะแล้วก็เน้นย้ำเป็นพิเศษหน่อยก็คือเรื่องอินซีที่ส่งใช้คำว่าอินซีอ่อนอินซีกล้าเนี่ยคาว่าอินซีที่จริงมันมีตั้งอินซีถึงยนะี่สิบแปดฮะแต่ว่าอินซีที่ส่งเน้นในที่นี้ก็เน้นที่ห้าอินซีอินซีแปลว่าเป็นใหญ่เช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยก็เป็นอินรีนะคือเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตน แล้วก็ไม่มีใครที่จะมาทดแทนได้เจนวาตาเป็นใหญ่ในการดูรูปก็อย่างอื่นมาแทนตาไม่ได้หูเป็นใหญ่ในการฟังเสียงก็อย่างอื่นมาฟังแทนหูไม่ได้เป็นต้นเพราะในตัวเราก็มีอินทรีย์ในส่วนที่เป็นรูปธรรมเนี่ยคือตาหูจมูกเลี้ยกายใจใจนั้นเป็นนามธรรมนะฮะเรียกมันอินทรีย์อินทรีย์คือใจโั่นนั้นก็จะเรียก จะไตามชื่อตาหูจมูกลิ้นกายจากขุนสีโสตินสีแขนสีจีบินสีกายเย็นสีมันินสีโดยสถานะแล้วเนี่ยเขาก็เป็นอายตนะแล้วก็เป็นอารมณ์ของวิปนะัสสนาพูดง่ายๆว่าขึ้นนํามารูปนั่นเองแต่เน้นเอาเฉพาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นรูปนะฮะก็ใจก็เป็นนามแต่ว่าอินรีย ท, ที่ทรงตรวจสอบก่อนจะเทศเนี่ย แต่รเราพูดถึงหลักการศึกษาในปัจจุบันก็คือเรื่องความพร้อ ม, มนักเรียนพร้อมจะอ่านพร้อมจะเขียนพร้อมที่จะพูดพร้อมที่จะทํากิจกรรมอะไรไหมอะไรเนี่ยเรื่องความพร้อมนั้นเป็นเรื่องใหญ่บางครั้งก็ต้องเตรียมความพร้อมมันตอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมจึงมีการบ่มอินทรีย์การเพาะอินรีย์การเสริมอินทรีย์การปรับอินทซียอะไรตัวไหเนี่ยมันมันต้องทําเยอะนะ คือไม่ใช่ว่านิ่งๆประสบความสำเร็จก็ตามปกติแล้วเรื่องแต่และเรื่องเนี่ยมันยาวเพียงแต่ว่าเราก็นำเสนอ ย, ยาวไม่ได้แล้วก็มาตัดตอนมามาพูดกันโดยสรุปสรุปคือตามปกติแล้วพระพุทธเจ้าจะสวดตูสัตตวโลกตอนใกล้รุ่งเนี่ยทุกเช้า แล้วคนที่มีวาสนาบารมีอินทรีย์เขาพร้อมเนี่ยก็จะปรากฏในขายประญาของพระองค์พระองค์ก็จะเห็นด้วยที่ไปจากสุขคือตาจิดแล้วก็จะมองศึกษาภูมิหลังของบุคคลเหล่านั้นมีวาสนาบารมีอะไรที่เป็นเหตุปรากฏในขายประญาและตสวจดูพื้นฐานริติอัธยาศัย จะสอนจะอบรมคขอยังไงจึงจะเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วพ้นต่อไปนี่จะเป็นอย่างไงเมื่อเราพูดสมมุติปัจจุบันก็เรียกว่ามีการศึกษาข้อมูลมีการประเมินผลมีการสรุปผลเสร็จแล้วก็ลงตัวตามนั้นนะฮะเราประเมินผลแล้วเราก็ไม่ลงตัวหรอกก็ได้เราเราแต่ของพระพุทธเจ้านี่ลงตัวทั้งร้อยเปอร์ซ็นเลยเพราะไม่ใช่ประเมินมันเป็นอย่างรู้ด้วยปยัญญา เป็นนาคาตังสยานคือรู้ล่วงหน้านะะว่าผลจะเกิดขึ้นมาอย่างไงและจากจุดนี้เราจึงจึงจึงเห็นว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยน่าจะไปตัดไฟแต่ต้นลมเช่นเรื่องของพระองค์ุลิมานเนี่ยกว่าพระจ้าจะเสด็จไปโปรดมังคาคนมาเยอะแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนั้นพูดไม่รู้เรื่องหรอกกลวยไปพูดยังไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องปล่อยไปก่อน ศาตร์ที่ถูกฆ่าก็เป็นไปตามกรรมของเขาก็ เ, เก็ไปหยุดกรรมอะไรไม่ได้มันเป็นกระแสของกรรมทีโกนเหล่านั้นได้กระทำกันมาไว้แต่ว่าถึงเวลาลงก็เสด็จไปอินทรีย์ที่ใหญ่เนี่ยคือต้องใช้ตรวจสอบมากคือสัทธินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาได้แก่ความเชื่อความเชื่อมั่นนะมั่นคงที่ยังลงในคุณของพระพุทธเจ้า วพราะถเราพูดถึงศรัท ธ, ธาเมื่อไร่เราก็จะพูดถึงศรัท ธ, ธาเชื่อมั่นในพระพุทธคุณคือในพระบาลีเองบาลีพุทธวัจนะนะบาลีพุทธวัจนะในพระเจ้าจะทรงแสดงเองนี่จะเน้นที่ความเชื่อมั่นในพระคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือพระเจ้า น, นจะมีพระคุณเหมือนกันเพราะถ้าเราจับที่พระคุณพระพุทธเจ้าได้แล้วยังอื่นเดินได้ไม่มีปัญหาใด แต่เท่าเรียงแว่งที่ประคุณพระพุทธเจ้าแล้วจะไปแต่ยากเพราะคนจะต้องเชื่อมันน่นในพระพุทธคุณแล้วความเชื่อเนี่ยมันจะต้องมีพลังเพราะตัวนี้บางทีจึงเรียกว่าพละบางทีจึงเรียกว่าอินซีแต่จอนตอนตรวจสอบตรวจสอบตอนเป็นอินทรีย์แล้วนะพละเนี่ยคือมันมันเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆเจนถึงทำหนะ้าที่ขจัด ครั้งแรกเนี่ยขจัดความไม่เชื่อออกไปพอปริมาณเพิ่มขึ้นก็ขจัดความเครื่อแปรงสงสัยออกไปพอเพิ่มขึ้นกว่านั้นก็ขจัดความเสนีออกไปขจัดความโลภออกไปนะแล้วก็ต่อไปก็ขจัดความโกรธออกไปพอความเสนีนั้นก็ทําหมายถึงตัววัตถุเนี่ยคือคนเสน่เนี่ยอาจจะเกิดจากโลภ ก, ก็ได้าจากโกรธก็ได้นะ เช่นสมมติว่าบางทีเนี่ยของเราก็มีเหลือเฟือแต่พอดีคนที่มาขอนี่เราไม่ชอบหน้าเราไม่ให้หรือบางทีนี่ของเราก็มีมากฮะแต่เรายังหวงเสียดายเราก็ไม่ให้เพรา ะ, ะมันอาจจะเกิดจากโลค ก, ก็ได้จะเกิดจากโรค ก, ก็ได้เราแสดงอีกว่าพลังเราศรัท ธ, ธาที่เขามีกําลังเนี่ยมันขจัดได้หมดเลยทั้งโลภะโทสะโมหะ เพราะเราจรึงได้ยินพระพุทธธรรมาติษฐานเรื่องศรัทธาเอาไว้ในระดับต่างๆเป็นอันมากแล้วก็คุ้นๆนะฮะในสังคมพุทธเราก็จะคุ้นในเรื่องความหมายของศรัทธาเช่นว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธาตั้งมั่นแล้วสมเป็จประโยชน์ศรัทธาลุติยาปุริสสะโหติศรัทธาเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของคน สถาบันทิตปาทอยยังสถัทธารวบรวมไว้ซึ่งสเสบียงคือกุศลก็ว่ากันไปเรื่อยเลยจนถึงสถัทธายะตริติโอคังบุคคลจะข้ามว่วงน้ำคือกิเลสได้เนี่ยโดยศรัทธาก็แสดงพลานุภาพของศรัทธาก็มีกำลังมากแต่ว่าตอนต้นๆไม่ต้องเอาขนาดนั้นนะคือต้องเอาให้เขาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เดินไดนะ้แะ แต่ถ้าปฏิเสธสถานะพระพุทธเจ้าเราก็พูดกันไม่ได้มันเหมือนคนป่วยไ ป, ปเสดหมอนะฮะหมอจะสั่งยาอะไรแต่ไรก็ตามเขาก็ไม่ยอมรับหรกเพราะนั้บทพระพุทธคุณที่เราสวดเนี่ยแต่ต้องเอามาพิจารณานะฮะเราเชื่อตามนั้นหรือเปล่าที่แปลว่าแม้พระเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าอารหังเป็นพระหัน สมาสพุโทโธสัตว์ดีสัตชอบโดยพรงเองวิชาจรณาสัมปันโนสงสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะสุขโตเสด็จไปดีแล้วโลกวิตูเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุสรูริสรรมสารถิเป็นสารถิที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารถิอื่นจะยิ่งไปกว่า สถานเดวมนุษสาหนังสกเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทางหลายพุโทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานพรกวา่าเป็นผู้จำแนกแกจ่ายทำเป็นผู้ประกอบด้วยพระธรรมแล้ก็เป็นผู้มีโชคเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยเชื่อไหมถ้าเราเชื่อแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นพลังที่ขาจัดความไม่เชื่อขาจัดความสงสัยขาจัดโลภขาจัดโทสะดังกล่าว มันบางครั้งบางคราวเวลาเรามองพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยก็แปลว่าผู้เข้าถึงกระแสปณิพานนะฮะถ้าเรามองด้านศรัทธาเนี่ยศรัทธาของท่านประกอบด้วยโสดาปฏิยังขา้าคือเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันสี่ประการมีศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์และในใจสิกขาคือสีนสมาธิปัญญา ข้อต่อไปเรียกว่าวิริยินทรีย์อินทรีย์คือวิริยะแปลว่าความกล้าหาญเป็นความเพียรเมื่อกล่าวโดยสุปก็คือความเพียรในการป้องกันบาปความเพียรในการขจัดบาปความเพียรในการเพิ่มพูนกุศลและความเพียรในการรักษากุศล น, นะบางทีเราอาจจะไปเจอคําว่าประทานคือความเพียรสี่ประการ ผู้ดโดยสรุปภาังวรประทานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในจิตสันดานหานาประทานเป็นละบาปที่บังเกิดขึ้นแล้วภาวนาประทานเป็นให้กุศลคือความดีบังเกิดขึ้นในจิตสันดานอนุรักษณาประทานเพียรระวังรักษารักษากษาุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่เสื่อมไปตัวความเพียร น, นี้จะต้องมีพลานุภาพขัดจัดความเกียดคร้านจนถึงเรียวกว่ามหาโกสัชะคือความเกียดคร้านขนาดใหญ่ ความเกียดข้างบางบางอย่างนี่จับได้นะอ้างหนาวนักร้อนนักหิวนักแขงเช้าอยู่สายแล้วเย็นแล้วบางทีก็โนนปวดหัวปวดท้องไม่สบายเลยแต่ละว่ า, าไปเลยไม่ว่างอ้างได้เยอะพวกนี้เขาเรียกมาหมาโกศชะ ค, คือเป็นความเกลียคร้างขนาดใหญ่แล้วก็มันพิสูจน์ไม่ได้อะปวดหัวปวดท้องไม่พิสูจน์ไม่ได้เมื่อคนป่วยบอกว่าปวด่หมอเขาไม่รู้จะไัวไง หมอตรวจอาจจะไม่เจอแต่คนป่วยเขาบอกว่าปวดอ่ะจะทํำยังไตงตัวนี้ก็กลายเป็นเลท่ที่อ้างเพื่อไม่ไม่ต้องประกอบกิจการงานได้แต่อ้างชาวสายบาเย็นบาเย็นหิวกระหายนะฮะหิวนักกระหายนักเช้าอยู่เย็นแล้วอะไรแต่อะไรเนี่ยไอ้นนพอ่อพอจับได้ขี้เกียจเพราะฉะนั้นจะต้องตรงนี้ความเพียรจะต้องเป็นไปทั้งทางกายและทางจิตสามารถเจัด ความเกลียดคร้านหรือโกหสัจจกความเกลียดคร้านออกไปได้การที่สองเาเรียกว่าสติงซีอินซีคือสติวาระลึกได้รละลึกทันนึกออกเวลักษณะของจิตที่แผ่ไปในเ็าเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมน้าพปูเต็มชี่เนี่ยคือในกายเวทนาจิตธรรมเพราะสติจริงๆก็คือสมารสติที่ ตั้งใจสติระลึกอกมีความระลึกรู้อยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมจนมีความสงบขจัดสติสัมโมสาคือความหลงลืมความเลื่อนเลือนความเผลอเรอความคลั้งพลาดประคาดสติออกไปได้เป็นใหญ่เหนือความเผลอเร่อลงลืมเลื่อนเรือนเห่านั้ น, เ, นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะใครจะเห็นว่าปัญหาใหญ่ไปแลนี้แล้วก็เป็นห่วงบรรณกรก็ว่าประรกุกการวา ไอ้โรคลืมเนี่ยมันก็ชอบคนมันเกิดขึ้นมากบางทีเนี่ยเหมือนกับว่าความจำที่สะสมมาเป็นหลายสิบปีเนี่ยมันหายไปหมดเลยที่เขาเรียโกโรคอัลไซเมอร์หรือพกผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าท่านลืมหมดอะคนปราดเปรืองมากแต่ว่าลืมหมดแล้วก็สติ ที่เกิดเนี่ยที่มีเนี่ยเขาเรียกสติมาบางทีก็าเรียกสติมานะแปล ว, ว่ามีสติจะ ต, ตินซีแปลว่าอินรียคือสติหรือว่ามีสติเป็นใหญ่ลึกได้และลึกทันนึกออกสามารถขจัดความเพลเรอความหลงลืมความเลื่อนเรือนเพื่อการขาดสติได้บาลีเรียกว่าสติสมสุสาคือความเลื่อนเรือนขดัดเอพอเรอของสติ ข้อต่อไปสมาธิซีอินซีคือสมาธิแปลว่าจิตปันตั้งมั่นจนสามารถขัดจัดก็เรียกว่าจิตตะวิเขปะคือความฟุ้งซ่านซัดสายแล่นไปแล่นมาของจิตจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติดิ้นรนกวัดแหวงห้ามยากรักษายากมักตกไปในอารมณ์ที่ชั่ว ผู้เจ้าจึงทรงแสดงไว้ว่าบุคคลใดสามารถระมัดระวังรักษาจิตซึ่งเที่ยวไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสรีระมีถ้ำคือร่างกายนี้เป็นที่อยู่อาศัยได้บุคคลนั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมนันผนสมาธิเนี่ยก็ต้องทาหน้าที่สงบความฟุ้งซ่านจะสายของจิตจนจิตตั้งมัน่น อยู่ในอารมณอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรากำหนดระลึกหรือว่าที่เกิดขึ้นจากการมาเป็นเพียนทางจิตแล้วก็ปัญญีสีอินทรีย์คือปัญญาได้แก่ความรอบรู้ในกองสังขารจนสามารถมองภาพรวมแล้วก็แยกได้หรือที่แยกกันอยู่ก็รวมเข้ามาได้เป็นต้นจนจิตใจถ่าย ถ, ายถอนความยึดมัน่นถือมัน่น ในสิ่งเหล่านั้นด้วยแรงของกิเลสว่าเป็นของเราบ้างเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างหรือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราบ้างอินทรีย์ทั้งห้าประการนี้จะเรียกว่าใช้ทุกคราวที่สอนคนแต่ที่นี้คนบางคนเนี่ยอินทรีย์มันมันไม่เสมอเช่นว่าถ้าศรัทธามันมากเกินไปเนี่ยจะง ม, มงายนะเพระาะศรัทธามากเกินไปไดิเละเทอะเหมือน เชื่อส่งเดตเรื่อยไปเรื่องไม่น่าเชื่อก็เชื่อแต่ถ้าปัญญามากเกินไปนี่เฟื่องนะเฟื่องเก่งเสหมดรู้เสหมดจนกลายเป็นคนเรียกวสติเฟื่องแต่ทีนี้ความเพียรเนี่ยถ้ามากเนะี่ยเราจะเห็นว่าจะจะฟุ้งซ่านจะไม่สงบจะเครียดแล้วก็สมาธิถ้ามากเนี่ยมันจะหลับ ถ้าไม่มีความเพียรประคับประคองอยู่เนี่ยสมาธิเนี่ยเมื่อกล้หลับอนะครเราเห็นว่าบางทีจิตเคลิ้มเข้าจะเป็นสมาธิกับเคริ้มจะหลับเนี่ยพอๆกันแต่เคลิ้มหลับเนี่ยมันหลับไปเลยแต่เคลิ้มสมาธิเนี่ยสติยังอยู่นะตื่นตัวอยู่จอยต่างก็อยู่ตรงนั้นแต่ตอนตอนน้อมเข้าเนี่ยใกล้ๆกันแล้วก็สติเนี่ยมากเท่าไหร่ก็ได้นะกลัวขาดตันเลงสติ สติเขาไม่กลัวกลัวมากนะมากเท่าไรก็ได้ยิ่งดีขาดและยุ่งนะพอขาดมากเนะี่ยเขาเรียกวสติวิปลาสคือบ้าเลยเอ่อสมาธิอย่างที่บอกว่าถ้มากเกินไปนี่ก็ง่วงถ้าน้อยเกินไปก็ไม่สงบตัทวทีนี้ทำยังไงวะมันจะเดินไปได้เนี่ย พระเจ้าทรงอุปมาให้เห็นว่าองค์ธรรมทั้งทั้งทั้งห้าข้อเนี่ยมันเหมือนกับเพื่อนห้าคนปัญญาน่ยเหมือนกับราชกุ ม, มารแล้วก็อีกสี่ข้อเนี่ยศรัทธาวิริยาสติสมาธิเนี่ยมันเหมือนกับบุตรของอมตะทั้งหมดก็เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันนะฮะไปไหนมาไหนด้วยการเรียนหนังสือด้วยการเที่ยวด้วยการเล่นด้วยกันเวลาไปบ้านเพื่อนคนใดคนหนึ่งเนี่ยคนนั้นจะต้องดูแลเพื่อนอีกสี่คนแต่ว่า คนอื่นก็ช่วยนะฮะคนอื่นก็ช่วยแต่พอเข้าไปถึงพระบรมาราชวังเนี่ยทุกคนต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพระราชกุมารเพราะปัญญาเนี่ยจึงเป็นผู้นําแต่ทีนี้ในการเข้าสู่ศาสนาเนี่ยบางทีปัญญาเราไม่พอก็เชื่อไปก่อนไปเชิสถานนําไปก่อนมันก็คล่าๆก็เชื่อพ่อเชื่อแม่เชื่อครูบาอาจารย์เนี่ย คือเราเชื่อไปก่อนเพราะว่าเราจะไปพิสูจน์ทดสอบอะไรเราก็ไม่มีปัญญามากพาอที่จะไปไปพิสูจน์ทดสอบอย่างนั้นวะะันแต่ละข้อเนี่ยพวกนี้เราจึงได้ยินนะธรรมะเราเนี้สําคัญนะคือเจอที่ไหนเราจะเจอเยอะเลยเจอเรื่อยคือแต่ละข้อเนี่ยเป็นผู้นําคนสู่นิพพานได้ทั้งหมดเช่นสัทธาญาติรติโอขังบุคคลฆ้าม่วงน้ําคือกิเลสได้โดยศรัทธา วิริยนานุกมรมเจติควรรุงทุกได้เพราะความเพียรสติโลกสมิชาคารสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลกนิพพานตั้งนั่นน่ะเนี่ยสมาธิพิกเวภเวทะสมาหิโตยะถาปูตังปะชาณาติตุก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยงทำสมาธิให้บังเกิดเพราะคนที่มีจิตเป็นสมาธิยอมรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่ก็นิพพานน่ะ ปัญญาญาบริสุทธิ์ติบุคคลจะบริสุทธิ์หมดจดได้หรือปัญญาปัญญาโลกาสมิปโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโยคในโลกปัญญาณรานณงรัตนาปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกกนรชนเป็นต้นเพราะธรรมเหล่านี้ถ้าเราทําความรู้จักแล้วก็ศึกษาเจาะลึกนะฮะอ่านในลักษณะเจาะลึกเชื่อมโยง ก, กันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหนังสือเล่มใหญ่เลย และทีนี้ในการสอนบางครั้งเนี่ยเช่นคนบางคนเนี่ยอย่างอ่นไม่มีปัญหาแต่ศรัทธามันอ่อนนะะมันก็ต้องไปพัฒนาศรัทธาก็เรียกว่าไปบ่มศรัทธาขึ้นมาพัฒนาศรัทธาขึ้นมาปรับให้มันเสมอกับปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบเหมือนกับรถคันหนึ่งนะฮะศรัทธากับปัญญาทึ่งอยู่หัวอยู่ท้ายเนี่ยเหมือนรถสองล้อข้างหน้าเนี่ย จะต้องไปด้วยกันได้อะไรยิ่งอะไรหย่อนกันไม่ได้ศรัทธามากกงงานศรัทธาน้อยก็ไม่ตั้งมันแล้วก็ปัญญามากก็ฟุง้งปัญญาน้อยก็เข้าไม่ถึงทีนี้อีกด้านหนึ่งก็คือความเพียรกับสมาธิจะต้องเป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกัน ความเพียรน้อยก็เป็นฟุ้งนะฮะสมาธิน้อยก็ไม่สงบสมาธิมากโดยไม่มีความเพียรก็หลับสติเหมือนกับเจริศสติเหมือนคนขับรถหรือเหมือนจะเรจริศจะไม่ตรวจสอบดูทั้งสี่ล้อเลยแล้วก็นำสติจึงเป็นตัวตัวระลึกรู้แล้วก็ตัวปิดกัน้นรู้เท่าทันทั้งสิ่งทั้งหลาย ผลการตรวจสอบอินทรีย์ของพระพุทธเจ้าถึงจะยกตัวอย่างแนวกาตร ต, ต่อไปนะครับว่าพอเราจะต้องเจออินทรีย์อยู่บ่อยแล้วทําให้เห็นว่าเออธรรมะนี่ทาําไมทําไมเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยทําไมกลุ่มนี้แทศอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะอินทรีย์มันต่างกันธรรมะจึงยักย้ายแปรผันไปตามพื้นฐานของอินทรีย์ของผู้ฟังในขณะนั้นเพราะคนที่พระพุทธเจ้าทรงสรวจดูเนี่ย ที่มีสีแก่กล้าเนี่ยไม่มีปัญหามีสีอ่อนก็ต้องบ่มอินทรีย์ขึ้นนะต้องบ่มอินทรีย์ขึ้นไปทีนี้ที่มีอาการดีก็ไม่มีปัญหามีอาการสามก็ต้องพยายามพัฒนาพยายาปรับสภาพก็คือปรับอินทรีย์นั่นแหละก็ะปรับขึ้นมาหรือว่าที่สอนให้รู้ได้ง่ายเนี่ยไม่เคยแปลกแต่สอนให้รู้ได้ยากก็ต้องร อ, ต, อ, งรอต้องรอเวลาใช้เวลา จ, จําจีจาใจกันพอสมควรแล้วก็ ที่มีปกติเห็นประโลกและโทษในความเป็นภัยอยู่ก็มีหมายความว่าเข้าใจถึงชีวิตข้างหน้าแล้วก็โทษภัยของสิ่งต่างๆนะฮะเช่นโทษของความเกิดความแก่ความเจ็บกัญชาติภัยทุกขภัยราจราภัยมราณะภัยเนี่ยซึ่งก็อยู่ในวิสัยที่จะสอนได้ตามทุกควรแก่ตานะต้องฟังเท่าไหร่ และรงมาพจน์ธในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมถึงมีแดะท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตรงกันสวัสดี